จากสูตรนี้นะครับก็ตื่นตีสี่จากนั้นก็ดูแลตัวเองนะครับล้างหน้าล้างตาแล้วก็มาเดินจงกรมนั่งสมาธิกันอยู่แถวแถวนี้แหละอย่าไปเดินอยู่แถวหน้าห้องนอนด้วยนะมาใกล้ๆนี่อยู่รวมๆกันไว้อาศัยพลังเพื่อน นอกจากว่าใครที่สมัครใจที่จะไปกลางเต็น์อยู่ตามปา่าตามอะไรก็ใช้ห้องน้ำแถวนี้เลยจะเดินในปา่าหรือจะมาเดินใกล้ๆตามนี้ก็ก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยหโมงตรงเราก็จะมารวมกันเพื่อทำวัดนะครับแสดงว่าตีสี่ถึงหโมงท่านต้องดูแลตัวเองแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเอง หกโมงก็มาสวดมนต์ทำวัดกันแล้วก็ฟังธรรมเสร็จแล้วก็ไปรับประทานอาหารจากนั้นก็ปฏิบัติเองสิบเอโมงก็ไปรับประทานอาหารเสร็จแล้วบ่ายสองโมงก็มาเจอกันที่สารานิฟังธรรมสั้นๆ กันหลับยาวเดี๋ยวหลับเลยบ่ายสองบ่ายสองมาเจอกันตรงนี้ฟังธรรมสั้นๆแล้วก็แยกย้ายไปปฏิบัติหกโมงก็กลับมาเจอกันที่นี่เพราะฉะนั้นการเดินจงกรมนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรภาวนาท่านบริหารเวลาเองเราจะเจอกันหกโมงบ่ายสองแล้วก็หกโมง หลังวันที่สามค่อยถามหลักสูตรนี้หกวันห้าคืนแต่ไม่ไม่ทาตารางสอบบรมณ์หลังวันที่สามใครเจอผมตรงไหนก็ถามได้หรือถ้าไม่ถามก็จะมีการถามตอบ ร, มรวมๆกันไปใครถามมาก็ได้ยินเผื่อแผ่กันไปบางครั้งคำตอบก็คำถามก็ใน เรื่องค้างคาใจอาจจะคล้ายๆกันก็จะได้ตอบไปทีเดียวตอนหลังผมเวลาเปิดคอสเข้มที่ยุพุทธแล้วมีตารางสอบอารมณเนี่ยผมสังเกตเห็นอะไรบางอย่างนะครับาหนึ่งคือคำถามที่ทุกคนถามคล้ายๆกันกลายเป็นว่ายี่สิบรอบที่เข้ามาสอบอารมณ์ตอบซ้าไปมากกว่าสิบมันเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่า ทำไมไม่เข้ามาทีเดียวก็จะมีบางคนที่มีสภาวธรรมหรืออยากจะปรึกษาอยากจะทำอะไรอยากจะอะไรถามส่วนตัวเนี่ยการนั้นก็ค่อยว่ากันเป็นรายบุคคลดีกว่าแต่ก็ขอให้เกี่ยวกับอยู่ในแวดวงของการปฏิบัติหรือข้อสงสัยก็ขอให้อยู่ในแวดวงของธรรมะบ้างแค่นั้นเองทีนี้กันบ้านสำหรับวันนี้ เพื่อเป็นหลักนะครับหนึ่งก็คือว่าเมื่อท่านออกไปเดินจงกรมนั่งสมาธิการเดินจงกรมในวันแรกๆเนี่ยถ้าจะให้ผมแนะนำจากประสบการณ์หรือว่าจากความจริงก็คือว่าสมาธิจะเกิดขึ้นมากขึ้นแล้วก็แน่นตั้งมั่นมากๆเมื่อเราใส่เงื่อนไขลงไปเยอะกว่าปกติ อย่างเช่นการเดินจงกรมถ้าเราเดินไปธรรมดาอย่างสมมติว่าเราเคยเดินในชีวิตประจําวันแล้วเราก็มาเดินตรงนี้เนี่ยมันจะล่องล่อ ง, ล อ, งลอยๆยหลุดหลุ ด, ลดในวันแร ก, แรกอาจจะช้าลงนิดนึงแล้วก็ให้จิตไปแนบกับกายให้มากขึ้นหน่อยใครทําอานาปนาสติรู้ลมหายใจอย่างเช่นแตะที่ปลายจมูก ก็อาจจะเพิ่มเป็นว่าเห็นเป็นแสงเป็นเส้นวิ่งเข้าไปจนถึงสะดือแล้วก็ออกมาเป็นเส้นเพิ่มขึ้นก็ได้ท่านจะรู้สึกเลยว่าสมาธิเกิดขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็มากใครเริ่มรู้สึกว่ามันมากก็กลับมาแตะที่ปลายจมูกเหมือนเดิมก็พอ เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้อุบายต่างๆพวกนี้ใช้แล้วต้องรู้จักวางต้องเปลี่ยนปรับเองมันเป็นอุบายบางคนพอบอกอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้โอ้ยโอ้โหสมาธิแน่นดียิ่งทำก็ยิ่งกลายเป็นดิ่งดิ่ง ด, งดงลงไปเรื่อยๆแล้วก็เลยไม่ต้องเห็นกันนะเกิดดับเห็นก็คือดับไปเลยนะดับไปเลยออกไม่ได้อะไรงเงี้ยนะใครออกจากสมาธิไม่ได้ยกมือแล้วกัน จะได้เดินไปช่วยแต่ตอนที่ผมออกไม่ได้ผมยกมือไม่ได้ผมทำอะไรไม่ได้ลืมตาก็ไม่ได้ก็คอสเทมก็จะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักที่จะปรับถ้าวันแรกใช้อย่างนี้แล้วทำได้ดีแปลว่าวันที่สองสามคุณเกินแน่เพราะวันนี้เป็นวันที่มันจะฟุ้งซ่านที่สุด ถ้าคุณทำได้ดีวันนี้ใช้อุบายอะไรแล้วทำได้ดีวันหลังๆคุณต้องผ่อนนะไม่องนั้นถ้าใช้เท่าเดิมเนี่ยวันข้างหน้านี่มันจะสมาธิยิ่งเกินเลยนะเพราะว่าพอถึงตรงนี้นานเข้านานวันเข้าเนี่ยจิตใจมันจะไม่ค่อยมีนิวรบกวนแล้วอันนั้นทำงานง่ายแล้วแค่แตะแตแตะแ ต, แตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเข้าสู่ปฐมฌานได้อะไรได้ง่าย ถ้าแนะนำก็คือในวันนี้ถ้าธรรมานาบนาลสติก็เห็นเป็นแสงก็ได้นะจะเห็นเป็นแสงเป็นเส้นคล้ายๆสระอานท่านพุทธทาสใช้คำว่าคล้ายๆไกวเปลนะ์คล้ายๆไกวเปล์ปุ๊บป๊บป๊บป๊บไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งสมาธิเกิดเลยวันที่สองสามก็เข้าปฐมฌานเลยนะครับเลยก็ไปเลยนะแล้วทางราจารยนักุญก็รีบปล่อยแล้วกันอย่าทาดุยดุยทใช้ปัญญา เพราะว่าอย่างผมอู้สมาธิก็ดีสิใครๆเขาก็อยากได้กันเรียบร้อยเลยนะครับจะรักจะมีขันน้ำจะเปิดก๊อกปกติก็เปิดให้น้ำจอกๆจอกๆลงมาเดี๋ยวมันเต็มก็ปิดแต่ถ้ารักจะเปิดไวต้องปิดเร็วนะครับแล้วต้องรู้ด้วยว่าตอนไหนควรปิด ไม่งั้นมันจะพุ่งพรวดล้นขันเลยนะการปฏิบัติธรรมแบบที่เรามาทํากันห้าวันหกวันเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยวิชาการนะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมโดยวิธีธรรมชาติถ้าปฏิบัติธรรมโดยวิธีธรรมชาติจนะปฏิบัติแบบยญยิ้มบรรลุธรรมแบบใหญยิ้มแต่ตอนนี้เรากำลังจะเร่งปุ๋ยถ้าเมื่อไรจะเร่งปุ๋ย ต้องรู้จักวันไหนที่จะต้องชะลอปุ๋ยไม่งั้นต้นไม้มันจะตายมันจะไม่ได้อะไรนะครับเหตนจะทำอะไรต้องใช้ปัญญาพระเจ้าถึงได้ตัดว่าการเจริญสมถะและวิปัสสนาต้องเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งไม่ใช่ปัญญาระดับคนธรรมดาปัญญาอันยิ่งต้องรู้ว่าตอนไหนควรจะทำอะไร วิปัสนาไม่ใช่ศาสตร์แต่เป็นสินล้วนๆพริกตามสถานการณ์ตลอดไม่เคยมีรูปแบบที่ตายตัวต้องใช้ปัญญาเอาละวันนี้ก็ฝากข้อคิดไว้แล้วก็ส่วนอะไรกระทบพอจะปรุงปับ๊บหยุดข้ามควรวันนี้ไม่ต้องอย่าปล่อยให้ข้างในต่อความยาวสาวความยืดตัดไวๆวอย่าปล่อยให้ความคิดยืดออกไปยืดออกไปเหมือนที่เคยเป็นตัดไวไวตัดไวไวตัดไวไว นะแล้วก็อยู่กับตัวเองมากๆอย่าพูดคุยกันอ่ะแต่ส่วนสมาทานศีนแปดเดี๋ยวเราค่อยมาเย็นนี้คืนนี้ด้วยกันก็แล้วกันพร้อมๆกันอ่ะช่วงนี้ก็ออกไปเดินชมกลมข้างนอกบ้างนะครับอย่าให้ขันมันติดเย็นเดี๋ยวขันมันจะติดเย็นอ่ะกลับพระแล้วก็เชิญ ใครอยากจะไปนั่งตรงอื่นก็หยิบอาสนะไปได้เลยนะครับไปดองดูโคนต้นไม้ควนอะไรส่วนใครเพิ่งมาใหม่จริงๆอยากจะมาถามอะไรก็ก็เชิญนะครับผู้เก่าก็ปฏิบัติเองได้เลย